ในภศาัาถท า, านี่เป็นการชักจูงคนในเข้าวัดเข้าวาให้เสียสละความห่วงใยบางครั้งบางคราาได้อันนี้ก็นัว่าเป็นเน็กขมมะบ ร, รมีอย่างเช่นพวกญาติโยมมาบวชทีพรามกันอย่างนี้แหละเคลียวว่าลสรสละบ้านเลื่อนมาเราประพฤติเด็กขมมะบ ร, รมี แม้จะได้ชั่วระยะเวลาสั้นกดตามแต่มันก็เป็นบุญกุศลมากพอสมควรในขณะที่เราจำสินอยู่เราฝึกตนสำรวมตนอยู่ด้วยดีไม่ให้จิตมันพุ่งส่้นเลื่อนลอยไปทางเอื่นให้จิตอยู่ที่กายจิตก็อยู่ที่จิต รักษาจิตของตนไว้ให้ตลอดวันตลอดคืนอย่าให้มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเมื่อทําได้อย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่น้อยเป็นเนคขมมะบา ร, รมีส่วนหนึ่งเนคขมมะบา ร, รมีแปลว่าบา ร, รมีที่พยายามถอนตนออกจากกรรมคุณอืมคําว่าเนคขมมะบา ร, รมีเนะี่ย นั่นแหลการที่เราสาะบ้านเรือนมาทาทัวเป็นคนผู้เดียวสัมทานสินแปดอย่างนี้เนะี่ยในทางกายเนะี่ยมันห่างมาแล้วแต่ยังในทางใจเราก็มาควบคุมใจเอาให้ใจมันอยู่ในปัจจุบันนี้่จให้มันคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตให้มันกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี่ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อะไรรู้ว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่แต่ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนนี่หายใจเข้าก็รู้อย่างนี้เ <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้เข้าไปแล้วก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงจังบุญกรรมตกแต่งเรือนร่างอันนี้ให้จิตได้อาศัย อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้ามุขผู้มีปัญญามันก็อาศัยรูปร่างกายอันนี้สร้างบุญสร้างกุศลบารมีธรรมให้แก่กล้าขึ้นไปในตนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงย่างรู้ด้วยพระองค์เองแล้วว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้นเพราะอาศัยสั่งสมบุญเหมือนอย่างตรัสพาสิทธ์ไว้ว่า สุขขผลุญยาสะอุจเยโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุกขอปาปัสสะอุจเจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์พระพุเทธเจ้าตรัสได้อย่างนี้ผู้ที่ต้องการความสุขก็ต้องเว้นจากบาปก็ไม่ทำบาปหาทางเว้นให้ได้เลยบาปนั้นคืออะไรบ้าง ฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในก้ามหนึ่งกล่าวมุสาวาดหนึ่งเดิมุราเมรัยกันชายาปิ่นเฮโรอีนหนึ่งบาปมีอยู่ห้าอย่างท่านี้แหละผู้ใดล่วงศิขาบทห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นบาปบาปนั้นผดแป๊ะอีเีทีหนึ่งแปลว่า อารมณ์ที่ทำใจให้เศร้ามองขุนมัวเรียกว่าบาปอืออย่างนั้นให้เข้าใจถ้าบุคคลไปทำบาปทำคนทั่วห้าอย่างนั้นบ่อยๆคณะจิตใจก็จะเศร้ามองขุนมัวไปแต่คนที่ไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้หรอกว่าจิตใจตนเศร้ามองอย่างไรไม่รู้ตัวถ้าผู้ที่มีสติ กลวจการดูจิตใจตนอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็รู้ได้รู้ได้ว่าจิตเศร้าหมองคุณนมัวเพราะอะไรอืในขณะนี้นะ่ะจิตใจเศร้าหมองนะ่ะเพราะเรื่องอะไรสาวคลืนหลังดูมันต้องรู้ได้แน่นอนว่าเราต้องได้ทําบาปอย่างไรอย่างหนึง่งไม่ทําบาปด้วยกายก็ทําบาปด้วยวาจาเช่นไปพูด ทำไมพูดโกหกก็ไปพูดสอเสียดให้เขาแตกสามาคีกันพูดคำหยาบคายด่าแช่งโคตรวงตระกูลของกันและกันไอคำดา่ามันเนี่ยคนเท่าคนแก่ชอบนกะคนเท่าคนแก่แต่โบราณเท่าที่เห็นมานะเพื่อํามีพิธีไลยตองดอกสาแช่งกันนะั่นน่ะมีอะไรเขาไม่ทราบจำไม่ได้ คงจะมีดอกไมท้ทูบเทียมทูบเทียมวันนี้มั้งสาบแช่งคนที่เป็นที่ทนเห็นว่าเป็นศัตรูต่อตนเบียดเบียนทนแต่ตนก็ไม่มีอำนาจที่จะกำจัดเขาได้ก็เลยได้แต่สาบแช่งเอาขอให้ศัตรูนั้นชิบหายวายโดอย่าได้เจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรว่ากันไป นั่นคนคนไม่รู้กับเข้าใจว่าเป็นคําดีเนี่ยเป็นเรื่องดีการสาบแช่งอย่างนั้นนึกว่าคําสาบแช่งอนนั้นมันจะตกแก่คนที่เป็นศัตรูต่อตอนนู่นนึกว่าคิดว่ามันจะไม่ตกต่อตัวเองเนี่ที่จริงเนี่ยกรรมชั่วนั้นตนทําขึ้นตนพูดขึ้นมันจะเป็นของคนอื่นได้อย่างไรก็เป็นของตัวเองนะเนี่ยผู้มีเจตนาร้ายนิมุ่งร้ายต่อเพื่อนนี่ นั่นเจตนาเป็นบาปอ่ะเจตนาคือความคิดนึกอันประกอบไปด้วยความโกรธความพยาบาทนะั่นแหะในเรียนเรียกว่าความคิดที่เป็นบาปนั่นแหะแล้วเราจะเอาไอ้ความคิดหรือเอากิเลสของตนบาปทำของตนนั้นโยนไปให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นรับเอ า, อางี้มันไ ม, ไม่ไม่ถูกต้อง เมื่อคนนั้นเขาใจสูงอยู่ด้วยคุณธรรมและจี่พยโยนความชั่วเหล่านี้ให้เขายัางไงเขาก็ไม่รับเอาความชั่วนั้นก็กลับย้อนคืนมาเป็นของตัวเองมันเป็นอย่างนั้นตัวเองก็แบกเอาความชั่วนั้นไปเพราะฉะนั้นให้พากันจำพุทธภาสิทธิ์นิไวการสั่งสมบาปนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ การสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุขเมื่อเราทําบุญมาดระดัน บ, บนี้เนี่ยเราเป็นสุขยังไงบ้างภายในจิตใจต่างคนต่างต้องกลวดดูจิตใจของตัวเองอมเมื่อกลัวดูมันย่อมรู้ได้ว่าเมื่อตอนมีความสุขสบายอย่างนี้นะเออในขณะ น, นี้จิตของตอนมันนึกถึงเรื่องบุญกุศลอย่างนั้น หรือว่ามันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรมรมสงั์เป็นอารมณ์อยู่เกิดปีติในพระคุณทั้งสามนั้นอยู่มันถึงมีความสุขใจสบายใจก็รู้เนื้อว่าตนนึกถึงทานการกุศลที่ตนได้ทามาแล้วนึกถึงศีลที่ตนได้รักษามาเมื่อเห็นว่าตนได้รักษามาจริงทำบุญํำทานตนก็ได้ทำมาจริงอย่างนี้ก็ดีอกดีใจ เกิดปีติขึ้นอันนี้แหละเรียกว่าการสั่งสมบุญน่ะบุญนั่นก็คือทำและพูดได้สิ่งที่ทำให้ตัวเองก็รื่นเริงบันทังใจผู้อื่นที่ก็อผาสมองคมกับตนกดดีอกดีใจน่าเริงบันทังใจไง น, นเรียกว่าทำบุญ สอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าแต่จะให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นแล้วจึงว่าได้บุญการประพฤติดีอย่างว่ามานี่ถือว่าไม่ได้ไม่เป็นการทำบุญเข้าใจผิดไปการทำความดีทุกอย่างล้วนแต่เรียกว่าทำบุญทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นคือทำใจให้เบิกบานข่องใสนี่ คำว่ า, าบุญนะให้เข้าใจไม่ใช่ปีนรูปร่างเหมือนผู้เหมือนคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ได้แก่ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี่อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อมีอารมณ์ดีเกิดขึ้นในใจใจก็ดีใจก็จกเบิกบานนั่นเรียวว่าเราสร้างบุญในเกิดขึ้นในใจผู้มีปัญญาทั้งหลายเราต้อง พยายามสร้างบุญนั่นแหละให้เกิดขึ้นในใจของเราติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่าไปสร้างบาปขึ้นมาเมื่อเราสร้างบุญใ้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไอ้ใจเราก็เป็นสุขสบายไปเรื่อยๆไปอ่ามันเป็นอย่างงั้นความต้องการของคนเราในโลกนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นะต้องการความสุขเหมือนกันหมดเลย อย่างเดียวกันนะอืมไม่มีใครจะต้องการความทุกข์ไม่มีเลยอืแต่ตนต้องการความสุขแต่ไม่ไม่สะ ส, สมเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นในตนดันไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ลงมันจะได้สุขยังไงลรามันก็ได้ทุกข์เท่านั้นเองอันนี้อย่างคนติดของเสพติดในโทษต่างๆวันนี้นะ ของโมนี่อนแต่มีแต่โทษไม่มีคุณแม่แต่น้อยเดียวแต่คนผู้ติดผู้หลงผู้เมานั่นมาก็มันไม่ได้คิดได้พิจารณาเหตุผลในของเสพติดให้โทษเหล่านี้ถ้าได้พิจารณาให้เห็ น, นเนยแจ่มแจ้งในใจแล้วมันไม่มันไม่ะ ม, ม, มันไม่ดื่มไม่รับประทานกันหรกไอ้ของโมนี่นะนัน ที่มันยังติดใจมันยังดื่มยังบริโภคกันอยู่นั่นสแสดงว่ามันไม่ได้เห็นโทษแห่งการของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้เลยเหตุฉะนั้นมันนึงผูกใจมั่นอยู่ในของเสพติดเหล่านั้นหาเงินนะทองได้เท่าไหรก่ก็เอาเก็บหอมรอมริบเอาไปซื้อของเสพติดให้โทษนั้นมากินมาดื่ม มาสู่ออะไรหมนี้แหละในแม่เรื่องอื่นอ่นก็เหมือนกันนะเมื่อบุคคลไม่มองเห็นโทษของเรื่องนั้นแล้วมันละไม่ได้ ม, มันก็ติดตามไปเลยฮนี่มันทำนี้เมื่อละกรรมชั่วไม่ได้มันก็ทำกรรมชั่วเท่านั้นเองคนเราอะความกรรมชั่วก็เป็นใหญ่ในใจิตใจ ย ก, กจิตยกใจสู่บุญกุศลไม่ได้สู่คุณพระรัตนไกรก็ไม่ได้เพราะว่าตนปล่อยให้กิเลสเหล่านี้มาครอบงมจิตอย่างหนาแน่นแล้วมันจะไปสร้างบุญสร้างคุณได้เกิดขึ้นในใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสาวกวางองค์ในขั้งพุทธเจ้านั่นดื้อด้านทุกทนเนี่ย แอ่ทำความดีอะไรก็ไม่งอกงามเจริญแต่หากอยู่ได้ในพรหมจรรย์นี้อยู่ถมไปแต่ข้างพุทธเจ้าก็ดีอย่าว่าแต่สมัยนี้เลยดังนั้นพวกเราผู้ตื่นตัวกันอย่าง น, นี้แล้วก็เอาเธอพยายามไปพยายามไปอย่าไปเห็นแก่ปาดแก่ท้องถ้าจำสินและขัวจะไม่ได้อยู่ดีไม่ได้กินดี ไม่ได้เที่ยอวอ เ, เพลิดเพลินบางคนนะเป็นงานจึงไม่ยินดีพอใจอยู่มารักษาศีลมาฟังธรรมแท้ที่จริงแล้วนะการที่บุคคลเพลิดเพลินมัวเมาไปในมนรรสพบงเงินในของส่องเสพต่างๆหมู่นั้นเนะ่ะ มันไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆนี่คันท้าพูดได้มีปัญญาพิจารณาด้วยตนเองมันก็รู้ได้เลยรู้ว่าไม่มีสารประโยชน์อะไรจริงๆนะเนี่มันตรู้เห็นด้วยตนเองครับริ พ, พิจารณานะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้อ่าเบ่งั่นดังนั้นเมื่อพวกพิจารณาแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็จึงถอนตนออกไป อย่างญาติโยมที่มาสมทานสินแปะอย่างนี้แหละนี่ก็แสดงว่าเห็นโทษแห่งกรรมคุณณาจะออกจากมันยึงค่อยขยับทีละน้อยทีละน้อยเอาเป็นอย่างนั้นขยับมากก็ไม่ได้กำลังไม่พอสร้างบุญบา ร, รมีไปเพียรพยายามภาวนาละกิเลสไปในตัวเลย การภาวนากับการละกิเลสเป็นคู่กันไปเมื่อการภาวนามันเข้มแข็งสมาธิตั้งมัน่นดีจิตก็ย่อมกล้าหาัญชันชัยกล้าสู้รบขบกัดกับกิเลสต่างๆได้ถ้าหากว่าจิตนี่ไม่ได้อบรมให้เป็นสมาธิให้มันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้ว มันจะไปมีกำลังสู้กับกิเลสสมานสันหาอุทานต่างๆไม่ได้เลยมีจะถูกมันจูงไปตามอำนาจของมันเลยนี่ลองพิจารณาดูตัวของเราทุกคนเมื่อเราต้องการความสุขแล้วก็ให้สะสมบุญกุศลให้มันมากบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลการภาวนานี้นับป้า มีคุณค่ามหาศาลจริงๆนะขอให้พากันบำเพ็ญไปเถอะอย่าไปอ้างอุปสรรคอย่างโน้น อ, อย่างนี้อย่างศีลอุโบสถอย่างนี้ถึงไม่ได้เข้าวัดกขาวาถึงวันพระวันศีนมาฉชนั้นเราจุดทูกเทียนบูชาพระกราบไหวสวดมนต์พอสมควรแล้วเราก็มาอธิษฐานจิตเก้าจาจะนั่งสมาธิ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ขอให้จิตใจเข้าพเจ้าสงบระ ง, งับลงไปจากบาปอกุศลต่างๆอย่าได้เกิดมาครอบงาจิตใจเข้าพเจ้าเมื่ออธิษฐานใจนี้แล้วก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปสติก็กำกับความรู้สึกอนนันนั้นโยเมื่อรู้ ความรู้อะไนั้นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่คิดไปทางไหนอออะเถ้าอยากคิดผู้มีนิสัยชอบคิดกลายเนคิดพุทโธเอาคุณรูปเจ้ามาตั้งไว้ในใจอืเสมอเสมอไปถ้าผู้ที่ไม่ชอบนึกพุทโธก็เพ่งลงหมหายใจเข้าออกลหมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นนมิตเครื่องหมายของชีวิตถ้าลมหยุดลงเมื่อใดแล้วชีวิตนี้ก็หาความหมายไม่ได้เลย เมือ่อกระท่อนกล้วยที่เขาติดตัดทิ้งไว้บนพื้นดินอยู่นานไป ว, นวันคืนไปมันก็มีแต่เน่าเตเปื่อยผุพังไปท่อนกล้วยนะ่ะฉันใดร่างกายของคนเราก็เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อจิตวิญญาณถอนออกจากร่างนี้แล้วอย่าฝังอย่าเผาลองดูสิเอาไปวางไว้บนพื้นดินนะ่นไม่กี่วันมันก็เน่าเฟะเลยคงกินตลบไปทั่วเลย ไม่มีส่วนใร่แม้จะหอมแม้แต่น้อยหนึ่งไงร่างกายอันนี้อันมันหอมนะคนสวยมากก็เอาน้ําอบน้ําหอมพรมเข้าไปอืเอาแป้งมาทาเข้าไปเกิดน้ําเกิดนวลขึ้นมาทําให้คนหลายมองเห็นตาค้างหะนว่าเกิดสนใจความงามของผู้นั้นแท้ที่จริงแล้วมันเอาวัตถุภายนอกนั้นมาประดับประดามาเอื้อไว้ กาหารมดมันจึงสําคัญว่าสวยว่างามไปแต่ถ้าปล่อยตามเท่าดาเขอามาล้ไม่มีอะไรสวยงามเลยเราต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อย่าไปกลัวว่ารสชาติของกรรมกุลนี่มันจะจืดชืดไปหมดก็ให้มันจืดถนัดดีนะอย่าให้มันมีรสอะไรอ ย, อยู่ถ้ามีรสอะไรอ ย, อยู่แล เดือดร้อนจิตนะโดยเฉพาะผู้พพที่เข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี่นะจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ช่างถ้าหากว่าไป ช, ชื่นชมยินดีกับความรักความใคร่ความพอใจที่เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองนะี่มันก็เดือดร้อนแหละเข้าทำรองที่ว่า ร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เดือดร้อนแล้วให้สังเกตดูถ้าผู้ใดหากว่าโรงตกโรงได้เมื่อไดใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็เห็นลงไปว่าควรปรงควรวางควรปล่อยไม่ควรยึดถือเลยร่างกายอันนี้นะ เอาถ้าไม่ยึดถือร่างกายนี่จะไปอาศัยอะไรอยู่จิตนี่ก็ อ, อาศัยร่างกายนี่อยู่ไม่ใช่เหรอเอจริงจิตนี่อาศัยร่างกายเนี่ยอยู่แต่แล้วมันมั น, ม, น, ม, นมันเมื่อมันไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันหลงหยินดีหลงหยินร้ายหลงเสียใจเศร้าโศกไปตามร่างกายอันนี้อยู่อยู่อย่างนั้นเลยเถ้ามีใครมากระกระทั่งน่อยหนึ่งเข้าก็เสียอกชกใจ มันอย่างนี้การที่จิตอาศัยในร่างกายอันประกอบไปด้วยอภิชาตัญหานี่นะก่อยให้ววิชาโมหะหุ่มหอดจิตใจอยู่นี่ไงใจไม่รู้ความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงมันมีแต่ยึดแต่ถืออยู่อย่างนั้นดังนั้นเมื่อความตายใกล้เข้ามาถึงแล้วยังักความเห็นอันนั้นไม่ได้มันจิตใจมันก็ค่อยเขไปทั่วแล้ววันนี้นะ เอ๊ะจะไปทําที่พึ่งที่ไหนหนอมองดูใจตัวเองก็ไม่ตั้งมั่นเลยงอนเงีนคลอนแข น, นอยู่นั้นอันนี้จะให้พึ่งเข้าใจที่ว่าเราบางคนภาวนาไม่เป็นไม่เป็นมันจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้จกักขั้นตอนเลยอันเมื่อจีตมันพุ่งสร้างมากๆ ม, มันผิดหวังอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมันเสียใจเศร้าโศก เมื่อเป็นอันกินอันนอนอย่างนี้นะก็ควรจะรู้ตัวเลยเนะี่ยอรู้ตัวถามตัวเอเย่างไงทําไม่อยู่ไปเศร้าโศกเสียใจกับทิ่งต่ตางๆในโลกนี้อืมก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ใช่เลยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเป็นไปตามใจหวังทุกอย่างมันจะได้มาแต่ที่ไหนนี่ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คลายนะ เอเป็นความจริงเนี่ยถ้าทุกสิ่งมันบังคับบัญชาได้อย่างนี้จิตตรงนี้แหละก็จะไปอธิษฐานให้ร่างกายนี่มีกำลังเรียวแรงดีมีอายุยืนยาวนานให้ไปไปได้ตามประสงค์อย่างนี้นะแต่ปัญหาเป็นอย่างนั้นไม่กว่านี้นั่นแหละต่างคนต่างก็อมกิเลสไว้ในใจอย่างนี้ ทำความเข้าใจกันก็ไม่ได้ออหันหลังให้แก่กันอะไรกันอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันต่างคนต่างก็ถือมันในความเห็นของตนเอแล้ววันนี้ก็ไม่ยอมหันหน้าเข้าเจรจากันผู้ใดมีความขัดข้องมองใจอะไรก็ระ บ, บายออกมาสู่กันฟังแล้วก็จะได้แก้ไขให้มันดีงามขึ้นหรือความประพฤตะนะิน่ะเมื่อเราได้ หันหน้าเข้าเจรจากันเป็นอย่างนั้นทศกัณฐ์อยู่ไม่มีใครให้อภัยต่อใครเลยอย่างนี้นั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปนะให้เข้าใจถ้าเราได้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาหาเลือกันถ้ารู้ว่าใครผิดก็ขอโทษผู้นั้นซะผู้นั้นก็อาโหติกรรมไม่ไปซะเช่นนี้เราเวรทั้งหลายมันยอมระ ง, งับไปอ่ะ มันไม่ติดตามไปนสนองเลยต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าโกรธกั น, นนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกเปรียดกันนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นทีแรกมันก็โกรธกันนิดๆหน่อยๆนั่นแหละต่คันเมื่อต่อไปต่างคนต่างไม่ระวังกีตใจเพ้อไป อาสัยเหตุภายนอกกระเทาเข้ามาเ อ, อกเข้ามาอีกบัดนี้ก็ความโกรธมันก็ ร, นรุนแรงขึ้นมามันได้เชื่อนันี่ยมันก็ทำใจให้พุ่งสร้างเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเดียวอไอเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเรามันนึงได้เป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้ดังนั้นจึงสรุปลงว่าอะไรอะไรมันก็ลงอยู่ที่ใจนี่แหละ